เรื่อนปัญญากับห้องลึกลับสัมพัดสยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเมื่อสมัยที่คุณปางยังเป็นเด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่ คุณแม่ท่านไม่ค่อยมีเวลาดูแลคุณปางมากนักจึงได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดของคุณพ่อในจังหวัดมหาสารคามบ้านที่มหาสารคามจะมีอยู่สองหลังคุณปู่กับคุณยา่าท่านจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กส่วนอีกหลังที่ตั้งอยู่ยเย้ยงๆกันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่คนที่นั่นเรียกว่า บ้านใหญ่คุณญาตท่านจึงให้คุณแม่กับคุณปางเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านใหญ่ลักษณะของบ้านใหญ่จะเป็นบ้านทรงไทยคล้ายเรือนปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมสีเขียวทําจากไม้ทั้งหลังดูเก่าแก่มีอายุพอสมควรบันไดขึ้นชั้นบนจะอยู่ด้านหลังชั้นล่างจะเป็นห้องโถงรับแขกกว้าง ห้องน้ำกับห้องเก็บของจะอยู่ส่วนด้านหลังของบ้านมีข้าวของเครื่องใช้ครบครันชั้นบนจะมีสี่ห้องนอนแบ่งเป็นสองฝั่งตรงกลางจะเป็นโถงทางเดินกว้างๆสุดทางเดินจะเป็นระเบียงที่ยื่นออกไปนอกตัวบ้านซึ่งมีรอบทั้งหลังบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดูสวยงามมากแต่ก็ดูน่ากลัวในขนาดเดียวกัน คุณปางกับคุณแม่จะอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นสองทางฝั่งขวาเมื่อมาอยู่ได้สักพักคุณปางก็สังเกตเห็นว่ามีอยู่ห้องหนึ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายซึ่งถูกล็อกเอาไว้แล้วมีโซ่คล้องไว้อยู่ตลอดเวลาถ้าล็อกไว้เสียทุกห้องแล้วเปิดให้เฉพาะห้องที่คุณปางนอนก็พอจะเข้าใจ แต่การที่มีห้องเดียวเท่านั้นที่ถูกห่วงแหนเช่นนี้มันเลยดูน่าสงสัยทุกๆวันโกนเวลาประมาณหกโมงเย็นคุณปู่ท่านมักจะเดินถือกระทงใบตองเล็กๆ เ, เข้าไปในห้องนั้นแล้วปิดประตูสักพักท่านก็จะเดินออกมาซึ่งตอนนั้นขุนปางยังคงเด็กเกินไปจะถามตรงๆก็ไม่กล้า เาคุณปู่ท่านดุเหลือเกินก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักคืนหนึ่งในช่วงกลางดึกขุนปางจะได้ยินเสียงพื้นไม้ลัน เปนเสียงน้ำหนักกดลงบนพื้นไม้ล้ายกับว่ามีอะไรสักอย่างเดินอยู่บนบ้านแต่เมื่อลองถามคุณแม่ดูท่านก็จะทำเป็นไม่สนใจและบอกให้นอนเสียเพราะรุ่งเชา้าด้วยความสงสัยและคนอยากรู้คุณปางจึงตื้อถามคุณแม่อีกครั้งท่านก็บอกแค่ว่าเป็นเสียงไม้ลั่นธรรมดาเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจ หรือไปกลัวอะไรมันหรอกแล้วท่านก็เปลี่ยนเรื่องคุยวันหนึ่งในช่วงตะวันตรงหัวด้วยความสงสัยปนความอยากรู้อยากเห็นคุณปางจึงเดินไปที่หน้าประตูห้องที่ถูกโซ่คล้องไว้พยายามหารูช่องเล็กๆ เ, เพื่อที่จะมองลอดเข้าไปด้านในแต่หาดูจนทั่วก็ไม่พบ ในขณะที่กําลังใช้ความคิดทางจับโซ่ที่คล้องประตูเล่นไปด้วยก็ฉุดคิดขึ้นได้ว่าห้องนี้มันมีหน้าต่างจึงได้วิ่งไปที่ระเบียงฝั่งเดียวกับห้องลักษณะหน้าต่างเป็นไม้ซี่เฉียงเฉียงเหมือนหน้าต่างบ้านทรงไทยสมัยก่อนคุณปางรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับตนเองเป็นผู้ชนะ ว่าแล้วก็เอาหน้าแนบกับหน้าตา่างแล้วสอดส่องสายตาเข้าไปมองภายในห้องนั้นสิ่งแรกที่เห็นคือต๊ะเครื่องแป้งเก่าแก่ฝุ่นจับหนาเตอะถัดไปทางซ้ายจะมีกระจกบานใหญ่สีขุ่นลักแทบมองไม่ได้วางตั้งอยู่กับพื้นในลักษณะพิงผนังห้องถัดไปอีกจะเป็นเตียงไม้หลังใหญ่ ที่ยังไม่ได้ม้วนเก็บผ้าปูที่นอนคล้ายกับว่ามันกำลังรอเจ้าของกลับมาใช้มันอีกครั้งอีกฝั่งของเตียงจะมีเก้าอี้หวายอยู่ตัวหนึ่งแต่สิ่งที่สะกิดใจคุณปางก็คือผ้าม้วนใหญ่สีขาวมอสอตัวเท่าคนที่วางพิงอยู่บนเก้าอี้หวายไม่เพียงแค่นั้นเมื่อลองเลื่อนระดับสายตาให้ต่าลงมาก็พบว่า มีกระทงใบตองที่คุณปู่มักจะถือติดมือเข้ามาในห้องนี้วางอยู่ข้างๆเก้าอี้หวายด้วยคุณปางเพ่งมองอยู่นานก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจึงคิดว่าเลิกสนใจมันจะดีกว่าในจังหวัดที่คุณปางเบือนหน้าออกมาจากห้องายกับว่ามีอะไรบางอย่างขยับทำให้คุณปาง ต้องหันกลับมาเพ่งมองภายในห้องอีกครั้งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอะไรหรือสิ่งใดในห้องกันแน่ที่ขยับขณะที่กรอกสายตาไปมาเพื่อหาสิ่งผิดปกติแต่ก็ไม่พบสิ่งใดจึงจำเป็นต้องเก็บความสงสัยนี้ไว้ก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้หลังคุณแม่ได้ไปร่วมงานยาปรกิจของคนในหมู่บ้าน โดยบอกแค่ว่าดึกๆถึงจะกลับคุณปางจึงต้องนอนเล่นคนเดียวในบ้านไปก่อนเวลาประมาณสี่ทุ่มเ็จเศษคุณปางเปิดไฟสว่างโรนอนคลุมโป่งอยู่บนเตียงไม้เพราะเป็นครั้งแรกที่อยู่ในบ้านหลังนี้แค่คนเดียวในยามวิกาลดวงจันทร์มันไม่ได้นำพาแค่ความมืดมาเยือนเท่านั้น มันยังพาความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกด้วยวันนั้นไม่มีเสียงเอะอะเสียงดังของขี้เมาข้างบ้านทั้งทั้งที่ปกติแล้วจะชอบตั้งวงกันทุกวันคิดว่าคงเป็นเพราะย้ายไปตั้งวงกันในงานเสียหมดแม้แต่ไอตูบที่ชอบมาเห่าหอนอยู่หน้าบ้านวันนี้มันกลับเงียบหายไปเฉย ได้ยินเพียงแค่เสียงเดินของนาฬิกาเจ้าคุณปู่เรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงทางเดินหน้าห้องร้องเตือนบอกเวลาเป็นวินาทีคุณปางนอนฟังเสียงเข็มนาฬิกาจนเคิมหลับไปมาตื่นเต็มตาก็เพราะเสียงที่คุ้นเคยแววมาเบาๆ เสียงที่คุณแม่บอกว่าเป็นไม้ลั่นแต่คุณปางไม่ปักใจเชื่อนักมันดังอยู่แถวๆ ถ, ถงทางเดินหน้าห้องนี้เองคุณปางจินตนาการไปต่างๆนานาว่าอะไรกันนะที่เดินอยู่หน้าห้องนั้นแม้จะหวาดกลัวจนตัวสั่นแต่ความอยากรู้อยากเห็นมักจะชนะอยู่เสมอคุณปาง ค่อยๆก้าวลงจากเตียงให้เบาที่สุดกลัวเสียงเอียดอาดของเตียงไม้จะลั่นดังออกไปข้างนอกจนอะไรบางอย่างที่เดินอยู่หน้าห้องได้ยินเขา้าคุณปางค่อยๆก้มหน้าแนบลงไปกับช่องใต้ประตูไม้แกะสลักแล้วมองออกไปนอกห้องบนพื้นไม้ขัดเงาสีดำเลื่อมคุณปางเห็นขาคู่หนึ่งยืนอยู่ ที่หน้าห้องที่ถูกโซ่คล้องเอาไว้ลักษณะขาขาวสีดเรียวเล็กถ้าให้เดาคงเป็นขาของหญิงสาวมากกว่าที่จะเป็นของชายชกันเธอยือนหันออกไปทางระเบียงในใจคิดว่าใช่คุณแม่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นท่านจริงทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงตอนที่ท่านเดินขึ้นบันไดในระหว่างที่คุณปาง กำลังเพ่งมองด้วยความสงสัยขาปริศนาคู่นั้นค่อยๆก้าวหันตรงมาทางคุณปางอย่างเชี่ยงช้าและตามมาด้วยเสียงลั่นของพื้นไม้เบาๆคุณปางมองดูด้วยความสงสัยแต่แล้วก็ต้องตกใจจนผวาสุดขีดเพราะเท้าคู่นั้นมันวิ่งพลวดพลาดเข้ามาทางคุณปางทันที เสียงส้นเท้าสับลงบนพื้นไม้ขัดมันดังลั่นบ้านคุณปางพะ ง, งาดดีตัวออกห่างจากประตูในทันทีเผลอร้องตะโกนเพราะความตกใจพร้อมกระโดดขึ้นเตียงดึงผ้าห่มคลุมโปง่งนอนเหงื่อแตกร้องไห้เรียกหาคุณแม่อยู่ใต้ผ้าห่มจนเวลาผ่านไปสักพักก็เริ่มคลายความกลัวลงมาได้บ้างแต่ก็ยังคลุมโปง่ง เงื่อแตกตัวสั่นอยู่อย่างนั้นเพราะภาพที่เห็นนั้นมันติดตาจนจำฝังใจในขนาดเดียวกันนั้นหูก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแปลกๆทำให้คุณปางต้องชะงักแล้วตั้งใจฟังเสียงมันดังอยู่หน้าประตู คล้ายกับผู้หญิงที่เอามือปิดปากตัวเองแล้วพยายามพูดจนไม่สามารถจับใจความอะไรได้คุณปางได้ไดเดวมือปิดหูหลับตาปีตัวสั่นเหมือนคนจับไข้นอนภาวนาว่าขอให้ใครสักคนจะเป็นใครก็ได้รีบเข้ามาช่วยเสียทีสักพักก็ได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านถูกเปิดออกอย่างแรง ตามมาด้วยเสียงคั้นบันไดไม้ลันเอียดอาดจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องปังปังเสียงที่ได้ยินทําให้คุณปางรู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายรีบขานตอบกลับในทันทีครับปูแล้วจึงรีบกระโดดลงจากเตียงไปเปิดประตูก็เห็นชายชราผมหงอกร่างผอมแห้ง ยืนทำหน้าบึ้งตึงอยู่หน้าห้องแม่มึงไปไหนคุณปางจึงรีบตอบทันทีลืมสิ่งที่คุณแม่ได้สั่งไว้เมื่อตอนเย็นเสียสนิทแม่ไปเล่นไพ่ที่งานครับเมื่อคุณปู่ได้ยินเช่นนั้นจึงบ่นเงิมงำอยู่ในลำคอแล้วพูดออกมาเสียงดังว่าไปไปไปนอนกับปู่พอพูดจบท่านก็เดินลงบันได ไล่ปิดไฟให้หมดทุกดวงแล้วออกจากบ้านคุณปางก็เดินตามท่านไปติดๆในขณะที่ท่านกำลังจะปิดประตูใหญ่หน้าบ้านท่านได้ยั้งมือไว้ประมาณหนึ่งบานประตูจึ ง, งแง้มประมาณหนึ่งคือแล้วท่านก็มองเข้าไปยังความมืดมิดในตัวบ้านแล้วพูดออกมาเบาๆว่าดูบ้านด้วยนะ จากนั้นท่านก็ปิดประตูจนสนิทแล้วหันมาจูงมือคุณปางไปยังบ้านอีกหลังการกระทาของท่านเมื่อสักครู่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับคุณปางเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคุณปู่ท่านก็ให้คุณแม่กับคุณปางย้ายมาใสายอยู่ในบ้านเล็กกับทุกคนแล้วกาชับเป็นเด็ดขาดว่าห้ามคุณปางเข้าใกล้บ้านใหญ่ หปีให้หลังช่วงเช้าตรู่ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศผ่านโทรคงชุมชนเรียกให้ชาวบ้านมาชุมนุมกันที่ว่าการของหมู่บ้านเนื่องจากมีขโมยยินเข้าไปในบ้านใหญ่ของคุณปู่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทราบเรื่องก็เพราะรุ่งเช้าของวันนั้นหลวงพ่อท่านให้เด็กวัดมาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านว่าหลังจากที่ท่านตื่น ท่านก็ได้เข้าไปทำความสะอาดในโบสถ์เหมือนทุกเช้าแต่เช้านี้ท่านพบเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งคุกเขา่าพนมมืออยู่หน้าพระประธานตัวสั่นงันงกดูคล้ายคนเสียสติปากพึมพำรรแต่ว่านโมตสะนโมตสะนโมตสะซ้ำไปซ้ำมาสักครู่หนึ่ง ก็มีเด็กวัดวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกกับท่านว่าเจอคนนอนตายอยู่หน้าประตูวัดสองคนท่านจึงรีบรุดไปดูก็พบว่าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับไอหนุ่มที่นั่งตัวสั่นอยู่ในโบสถ์สองคนนั้นดวงตาเบิกโพลงอ้าปากค้างเหมือนตกใจสุดขีดตามเนื้อตัวมีแต่รอยฟกชำ้ำ เหมือนถูกรุมกระทืบท่านจึงได้ให้เด็กวัดไปตามผู้ใหญ่บ้านเมื่อผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็ได้เข้าไปซักถามเจ้าหนุ่มที่นั่งตัวสั่นอยู่ในโบสถ์ทันทีถึงแม้ว่าเจ้าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ยังพอจะจับใจความได้ว่าหนุ่มคนนั้นกับพวกอีกสองคนนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านแต่เหล้าเกิดหมดแล้วยังติดลมอยากกินต่อ พริะรีบงยาดองจึงได้ชวนกันเข้าไปในบ้านใหญ่เพราะเห็นว่าไม่มีคนอยู่มานานแล้วโดยงัดเข้าทางประตูหลังบ้านเมื่อเข้าไปในตัวบ้านได้แล้วทั้งสามก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ชั้นบนจึงคิดว่าจะขึ้นไปจับ ม, มัดมือมัดปากไว้เสียก่อนพวกเขาพากันย่องขึ้นไปบนชั้นสอง ก็เจอเขากับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องเธอคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกว่าพวกมึงจะมาเอาอะไรกันเธอคนนั้นลักษณะผมยาวดัดลอนใส่เสื้อคอกระเช้าดวงตากลมโตแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสามคนหวาดกลัวจนต้องหนีกระเจิงออกจากบ้านคือเธอ แลบลิ้นออกมาจุกอยู่ที่ปากคลายกับคนที่ขาดอากาศหายใจตายทั้งสามวิ่งหนีตายไปทางวัดแต่ก็พบว่าประตูทางเข้าวัดถูกปิดสนิทไปเสียแล้วตนจึงกระโดดสุดแรงเท่าที่มีกอกกำแพงวัดแล้วปีนข้ามเข้าไปรงดิ่งไปทางโบสถ์ในทันทีจังหวะนั้นหูก็ได้ยินเสียงเพื่อนทั้งสอง ร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดอยู่หน้าประตูวัดต่ตนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองวิ่งพลวดพลาดเข้าไปคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์เมื่อเหตุการณ์นี้จบลงมันทำให้คุณปางกลับมาสงสัยในบ้านหลังนี้อีกครั้งพยายามซักไซทุกคนแต่ก็ไม่ได้คำตอบอีกเช่นเคย จนเวลาผ่านไปนานพอสมควรคุณปู่พันก็ได้เสียชีวิตลงที่บ้านใหญ่พวกผู้ใหญ่จึงได้ทำการรื้อบ้านใหญ่เสียด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบมีการนิมนต์พระมานั่งสวดกลางแจ้งที่หน้าบ้านอยู่9ร้าูสายศินพันระโยงระ ย, ยางรอบบ้านสร้างความแปลกใจให้กับคุณปางเป็นอย่างมากเพราะเพิ่งเคยเห็น การรื้อบ้านเป็นครั้งแรกจนคุณปางได้เห็นสิ่งที่อยู่ในผ้าม้วนเก่าๆม้วนนั้นเมื่อพวกผู้ใหญ่ค่อยๆช่วยกันเปิดออกปรากฏว่าเป็นโครงกระดูกของคนร่างไม่ใหญ่เท่าใดนักมีครบตั้งแต่หัวจรดเท้าสุดท้ายคุณย่าจึงได้ยอมเล่าให้คุณปางฟังว่าร่างนั้น คือน้องสาวของคุณปู่เมื่อวัยเยาว์แกเป็นคนชอบหมอลำเป็นชีวิตจิตใจเพราะโตะขึ้นมาก็อยากเป็นหมอลำเข้าจริงๆแต่ถูกทางบ้านห้ามปลามจึงเกิดความน้อยอกน้อยใจปีนขึ้นไปผูกคอตายบนขื่อใต้ห้องนอนของตนเองในสมัยโบราณเมื่อมีคนตายโหงมักจะใช้วิธีฝังเสียเป็นส่วนใหญ่ แล้วจึงขุดกระดูกขึ้นมาเผาแต่เมื่อครั้งตอนที่ขุดกระดูกขึ้นมาเพื่อจะนาไปยาปนกิจตามพิธีคุณปู่ท่านได้ลักเปลี่ยนกระดูกของน้องสาวเอาไว้แล้วเอากระดูกอย่างอื่นไปเผาแทนคุณปู่นาโครงกระดูกน้องสาวของตนเองไปวางไว้บนเก้าอี้ไหวในห้องนั้นคุณย่าเล่าเสริมขึ้นอีกว่า ในตอนที่นำร่างไร้วิญญาณของน้องสาวคุณปู่ลงไว้ในหลุมคุณปู่ท่านได้นำตะปูห้านิ้วดอกสีดำตอกลงไปบนหน้าอกน้องสาวของตนท่านว่าเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณเอาไว้ก่อนและหลังจากที่รื้อบ้านเสร็จก็ได้ทำพิธียาปน ก, กิจศพน้องสาวของคุณปู่โดยเผาไปพร้อมกับของทุกอย่างที่อยู่ในห้องนอน และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสมภัสสยอง